นี้เป็นรายการธรรมสาระจากหนังสือเรื่องอาพรประดับใจภาคสองจากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วศินอินทสระจดหมายฉบับที่หนึ่งจากพ่อถึงจันลอยจันลอยลูกรักจดหมายของลูกพ่อได้รับแล้วพ่อดีใจมากที่ลูกสอบผ่านม .4 ไปได้ ด้วยคะแนนที่ไม่ต่ำนักลูกไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้คะแนนสูงยอดเยี่ยมในชั้นเพราะคนที่จะทํางานได้ดีมีประโยชน์แก่สังคมในอนาคตนั้นไม่จําเป็นต้องสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโรงเรียนหรือได้เกียรตินิยมในมหาวิทยาลัยเสมอไปเรื่องการเรียนในโรงเรียนกับการทํางานในอนาคตนั้นส่วนที่สัมพันธ์กันมากก็คือใบรับรองวุฒิหรือปริญญา เพื่อให้เข้าทำงานได้เมื่อเข้าไปแล้วบางคนอาจไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากโรงเรียนเลยต้องไปเรียนกันใหม่ฝึกกันใหม่เด็กที่เรียนอ่อนแต่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจดีมีความบากบั่นมันเพียรไม่หยุดย่อนค่อยๆเพิ่มพูนความสามารถของตนทีละน้อยเมื่อออกทำงานแล้วอาจล้ำหน้าเพื่อนที่เคยเรียนเก่งเมื่ออยู่โรงเรียน เรื่องทํานองนี้มีตัวอย่างอยู่มากลุยส์ปาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งโลกให้เกียรติยิ่งใหญ่ในทางวิชาการนั้นเมื่ออยู่โรงเรียนครูได้หมายเหตุลงในสมุดพวกว่าเป็นเด็กอ่อนโยนที่สุดตัวเล็กที่สุดและมีหวังสอบได้น้อยที่สุดในชั้นของข้าพเจ้าตามประวัติว่าเขาไม่เคยได้คะแนนดีตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลายัย เขาเพียงแต่พอผ่านไปได้เท่านั้นประกาศสัญญาบัตรของเขาอวดใครไม่ได้เพราะได้คะแนนต่าลูกต้องไม่ลืมว่าในฝรั่งเศสเข้าลงระดับคะแนนที่สอบได้ในปริญญาบัตร ด, ด้วยเป็นการประกาศให้รู้ว่าได้มาอย่างดีหรืออย่างพอผ่านไปได้แต่พอออกทํางานแล้วได้ความตั้งใจจริงตั้งใจดีมีความประพฤติดี มีความบากบั่นมันเพียนไม่หยุดหย่อนลุยส์พาสเตอร์ได้กลายเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ในวงวิชาการอย่างแท้จริงโลกต้องเป็นหนี้เขาเป็นอย่างมากทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนเก่งในโรงเรียนจะทํางานดีมีความสามารถสูงในการทํางานด้วยไม่ได้เขาอาจเรียนดีทํางานเก่งความสามารถดีและมีความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงด้วยก็ได้ สำหรับลูกนั้นพ่อและแม่ขอแต่เพียงให้สอบได้ทุกปีเท่านั้นถ้าได้คะแนนสูงด้วยพ่อก็ดีใจมากขึ้นการสอบตกเป็นการเสียเวลาเสียกําลังใจเสียเงินเพิ่มขึ้นซึ่งลูกก็เห็นอยู่ด้วยตัวเองแล้วว่าเวลานี้เราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงเพียงใดเพราะฉะนั้นขอให้ลูกตั้งใจเรียนอย่างดีทุกวิชา แต่และ ว, วิชามีประโยชน์ทั้งนั้นลูกเสียเงินไปแล้วขอให้ลูกเอาวิชาแลกเปลี่ยนมาให้ได้เงินนั้นถ้าไม่ยอมเสียไปกับวิชาก็ต้องเสียไปทางอื่นเช่นเสื้อผ้าและอาหารอันเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืนอะไรแต่วิชาความรู้เป็นสิ่งยั่งยืนติดตัวลูกไปจนตายใช้เท่าไรไม่หมดยิ่งขุดยิ่งพบ การใช้เงินแลกเปลี่ยนวิชาความรู้บัณฑิตจึงสรรเสริญกันนักและก็ขอให้ลูกเราลึกไว้เสมอว่าเงินแต่ละบาทนั้นเป็นยาดเหงื่อแรงงานของพ่อแม่พ่อไม่ได้ทวงบุญคุณแต่พ่อพูดเพื่อให้ลูกใช้เงินคุ้มราคาสมค่าของมันคือให้เป็นประโยชน์ที่สุดพยายามเอาชนะตนเองอย่าฟุ่มเฟือยสุรุยสุร่ายนักตราท่านว่า คนโง่เมื่อมีเวลาก็เพลินในการหาอาหารใส่ปากใส่ท้องส่วนคนฉลาดเมื่อมีเวลาก็เพลินในการหาปัญญาใส่สมองปัญญาใส่สมองนั้นใส่เข้าไปเถอะไม่มีโทษส่วนอาหารใส่ท้องนั้นใส่แต่พอประมาณข้อที่ลูกปาลารบไปว่าได้ไปเที่ยวดูของตามย่านการค้าซึ่งขายของแพง แล้วตกลงใจกลับไปซื้อที่ย่านการค้าซึ่งขายของถูกเพราะรู้สึกจะเหมาะสมกับฐานะของเราดีนั้นพาอรู้สึกปลื้มใจที่ลูกเป็นผู้รู้จักประมาณเป็นการให้เกียรติพ่อเพราะการแสดงความทะเยอทะยานเกินฐานะของตนให้พ่อแม่ได้รู้เห็นนั้นเป็นเสมือนการเหยียดหยามพ่อแม่ไปในตัวทํานองว่า พ่อแม่ไม่สามารถหาสิ่งที่เขาควรมีมาให้เขาได้เด็กๆที่ชอบพูดเปรียบเทียบตนกับคนอื่นว่าของชายของเขาราคาตั้งพันสองพันส่วนของเราแปดสิบเกาสบาทให้พ่อแม่ได้ยินนั้นเด็กอาจพูดแล้วก็แล้วไปแต่พ่อและแม่คิดอยู่ไม่รู้แล้วว่าเลี้ยงลูกไม่เทียมหน้าเทียมตาคนอื่นเขาพ่ออาจรอบถอนให้ใจใหญ่ เอามือกายหน้าผากปวดร้าวอยู่ลึกๆแม่อาจแอบกลิ่นน้ำตาอยู่ในห้องพ่อแม่ที่มีลูกซึ่งรู้จักประมาณตัวรู้จักฐานะแห่งครอบครัวตนจึงเป็นผู้มีโชคดีเหมือนได้รับพรจากสวรรค์จันลอยลูกรักลูกคงเคยเห็นผู้หญิงบางคนวางท่าเฉิดฉายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพรพันราคาสูงริบรีว แต่ไม่สนใจที่จะวางตัวให้หน่ารักใคร่วางใจให้หน่าชื่นชมหญิงเช่นนั้นย่อมสู้สตรีแต่งกายแต่พอเรียบร้อยสุภาพแต่เป็นผู้มากไปด้วยเมตตากรุณามีแววตาส่อความปราณีไม่ได้แววตาที่อ่อนโยนกิริยาสุภาพวาจาที่อ่อนหวานและใจที่เปี่ยมอยู่ด้วยพรหมวิหารนั้น เป็นสเสน่ห์ดึงดูดคนทั้งหลายให้รักใคร่เคารพยำเกรงไม่จืดจางเป็นเสมือนที่ลาดลุ่มและร่องลึกเป็นที่ไหลามาแห่งน้ำฉะนั้นแม้เราจะค่อนข้างยากจนทางทรัพย์สินแต่ขอให้เราไม่จนความดีถึง่เราจะไม่มีเกียรติอย่างปลอมๆในสังคมแต่ขอให้เราลอยล่องอยู่ท่ามกลางแสงสว่างรุ่งโรดแห่งสติปัญญาและภูมิธรรม พ่อมีความเห็นว่าทุกบ้านควรมีตำราอันเกี่ยวกับภูมิธรรมและภูมิปัญญาไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรพ่อได้เห็นนักต่อนักแล้วครอบครัวที่พ่อบ้านแม่เรือนไม่ประพฤติธรรมนั้นไม่มีความสุขลูกหลานเดือดร้อนเพราะความชอบบ่นชอบด่าโดยไร้เหตุผลของหัวหน้าครอบครัวนั้นเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่พูดสามวันไม่จบ ถ้าหัวหน้าครอบครัวประพฤติ ธ, ธรรมทำใจให้สงบเยือกเย็นมีเมตตาปรานีสั่งสอนลูกหลานด้วยเหตุผลชี้ผิดชี้ถูกให้เห็นภาพนั้นจะเป็นภาพยั่งยืนอยู่ในใจของลูกหลานเมื่อลูกหลานเติบโตขึ้นภาพนั้นก็พลอยเติบโตขึ้นไปด้วยสังคมของเราที่วุ่นวายอยู่ในเวลานี้ต้องมีความผิดขั้นมูลฐานอยู่อย่างแน่นอน เหมือนมะเร็งซึ่งกินลึกๆมองภายนอกไม่เห็นแต่ทำให้คนที่เป็นมะเร็งผอมลงผอมลงความผิดขั้นมูลฐานอันนั้นคือคนไม่ประพฤติทำให้เหมาะสมแก่ฐานนาข้องตนการแก้ที่ปลายเหตุนั้นไม่ได้ผลเหมือนเอามีดไปตัดยอดหญ้ายิ่งตัดจะยิ่งแตกงามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันผิดวิธีนั้นผลที่ออกมาก็คือ คนรวยยิ่งรวยมากขึ้นคนจนยิ่งจนหนักลงโครงสร้างแห่งสังคมสั่นคลอนคนในสังคมรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมสังคมนั้นเป็นสังคมพิการอย่างที่ฝรั่งเรียกว่า social disorganization ในการเรียนการวางตัวหรือการใดๆก็ตามพ่อขอเตือนลูกว่าจงอย่าประมาทลิงยังรู้จักตกต้นไม้ คนเราจะชำนาญสักเพียงใดฉเฉลียวฉลาดสามารถเพียงใดถ้าประมาทก็อาจผิดพลาดได้ความประมาทคือความวางใจนอนใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอเป็นไรขึ้นมาก็สายสุดแก้เสียแล้วนักเรียนบางคนนอนใจว่าฉลาดหัวดีอีกเจ็ดวันสิบห้าวันจะสอบจึงดูหนังสือก็ได้ถ้าเจ็ดวันหรือสิห้าวันก่อนสอบเกิดเจ็บป่วยขึ้น ก็เลยไม่ได้ดูหนังสืออาจสอบตกได้ในการวางตัวต่อเพื่อนฝูงอย่าให้สูงเกินเขาจะหมันไส้และถ้าวางตัวต่ำเกินเขาก็จะดูหมิ่นขอให้พอดีพอดีส่วนกับครูอาจารย์นั้นขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้เพราะท่านว่าเอาชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยการอ่อนน้อมเอาชนะผู้ต่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์อเอื้อเฟื้อ เอาชนะผู้เสมอกันด้วยความเพียพรพยายามเอาชนะผู้แกล้าในสงครามด้วยการยุให้แตกสมคีส่วนการวางตัวต่อเพศตรงข้ามหรือผู้ชายนั้นพ่อได้บอกลูกอยู่เสมอว่าผู้ชายเกรงผู้หญิงที่วางตัวดีไม่จองของเกินไปและไม่ปล่อยตัวเกินไปจิริยาภาทีเป็นผู้ดีสุภาพเรียบร้อยไม่พูดเล่นจนเกินวิสัยหญิง เมื่อเป็นดังนี้ผู้ชายย่อมเกรงใจและนิยมยกย่องแม่ของลูกบอกไปว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่สองมาติดพันลูกแต่เมื่อลูกไม่เล่นด้วยในเชิงนั้นเขาก็เลิกราไปแล้วพ่อได้เคยเขียนจดหมายถึงแม่ของลูกให้หาทางพูดกับลูกและชายหนุ่มผู้นั้นอย่างบัวไม่ให้ช้าน้ำไม่ให้คุณ และปรากฏว่าได้ผลดังที่ลูกทราบอยู่แล้วพ่อดีใจที่ลูกเป็นคนว่าง่ายอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ซึ่งเป็นผลดีแก่ลูกอย่างมากในอนาคตโบราณท่านว่ายาชิงสุกก่อนหามสุนทรผู้ว่าเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหลน่นด้วยใจจริงแล้วพ่อแม่ทุกคนต้องการปลูกฝังลูกให้เป็นหลักฐาน ขอแต่เพียงว่าให้ถึงเวลาก่อนเท่านั้นชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังเรียนอยู่ยังต้องใช้เงินของพ่อแม่ในบริหารแห่งชีวิตทุกประการพ่อเห็นว่ายังไม่ควรคิดเรื่องนี้มันมีทางเสียมากกว่าดีทั้งหลายเท่าผู้ชายเป็นฝ่ายเสียเปรียบผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายผู้ชายเอาเปรียบพ่อแม่ ที่ต้องเอาเงินหยาดเงือแรงงานของพ่อแม่ไปเลี้ยงคนอื่นเดี๋ยวนี้ดูหนังรอบหนึ่งใช้เงินกับร้อยบาทผู้หญิงทำให้พ่อแม่วันใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปเสียทีเขาเกิดปัญหาที่แก้ลำบากขอให้ลูกกลัวเรื่องนี้ไว้ด้วยแต่เมื่อเรียนสำเร็จแล้วมีงานการทำเป็นหลักฐานแล้วมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว พ่อแม่เป็นฝ่ายเตือนใช่อีกว่าเมื่อไรจะมีครอบครัวสทีเมื่อนั้นฝ่ายชายก็มีสายตายาวฝ่ายสาวก็สายตาไกลแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดก็มีน้อยที่กล้าพูดมาทั้งหมดนี้ก็ได้เห็นว่าลูกเป็นลูกของพ่อถ้าเป็นหญิงอื่นพ่อก็ไม่กล้าสอนเขาเกรงจะเป็นการอวดดีเกินไปพ่อและแม่มีความตั้งใจว่า จะให้ลูกทุกคนเรียนจนถึงที่สุดคือเท่าที่ลูกอยากจะเรียนเพราะการเรียนเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติทำคนต้อยต่ำให้เป็นคนสูงการนำเอาความรู้ที่เรียนไปใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นนับเป็นอาภรล้ำค่านอกจากเรียนในหลักสูตรแล้วลูกต้องขยันอ่านหนังสือที่ดีทั่วไปอีกด้วยมันบันทึกจดจำเพราะการอ่านมากทำให้กว้างขวาง การเขียนทำให้แม่นยำการหมั่นตรึกตรองขบคิดทาให้ลึกซึ้งจริงอยู่หนังสือบางเล่มควรอ่านเพียงบางส่วนบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มสมควรอ่านให้ตลอดได้ความตั้งใจและพินิษพิเคราะห์แต่ก็ควรอ่านให้กว้างไว้การขุดหลุมนั้นถ้าขุดให้ลึกอย่างเดียวไม่กว้างเมื่อลงไปอยู่ในหลุมจะมืดถ้ากว้างด้วยไม่มืด การเรียนก็เหมือนกันต้องให้ลึกซึ้งและกว้างขวางพร้อมๆกันไปจึงจะกำจัดความมืดในใจได้วิชาแต่และวิชามีคุณอยู่แล้วในตัวถ้ารอบรู้หลายวิชาก็เป็นการเก็บเอาคุณนั้นๆมารวมไว้ในตัวเราประวัติศาสตร์ทำให้รอบรู้เพิ่มพูนไหวพริบวรรณกรรมทำให้หลักแหลมและรื่นรมคณิตศาสตร์ฝึกฝนให้คนละเอียดถี่ถ้วน ปรัชญาทำให้คนเข้าใจความจริงต่างๆอย่างลึกซึ้งกว้างขวางทำให้ผู้เรียนรู้มีใจกว้างไปด้วยตักกะศาสตร์ทำให้พูดคิดยังมีเหตุผลจริยธรรมหรือศิลธรรมอบรมคนให้รักษาความสงบดังนี้เป็นต้นลูกจะเห็นว่าวิชาต่างๆมีคุณอยู่ในตัวของมันดังกล่าวทางโรงเรียนจึงจัดหลักสูตรให้มีหลายสาขาวิชา แต่ลูกอย่าลืมว่าวิชาที่เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นเป็นพื้นฐานรูปแนวทางเท่านั้นเหมือนรากฐานของตึกหรือโครงสร้างของบ้านวิชาการนั้นๆจะเต็มบริบูรณ์หรือสูงส่งเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการขวนขวายเพื่อเพิ่มเติมของลูกเมื่อเรียนจบแล้วมนุษย์เราที่จะได้ดีนอกจากต้องมีการศึกษาแล้วต้องได้รับการอบรมที่ดีด้วย ดูเหมือนประการหลังจะมีความสำคัญกว่าประการแรกซสอีกจุดเริ่มต้นแห่งการอบรมที่สำคัญที่สุดคือบ้านหรือครอบครัวครอบครัวที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยนั้นน้อยนักที่เด็กจะเกเรเด็กเรียนแบบและติดนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งได้ง่ายโดยเฉพาะนิสัยใจขอของมารดาหรือคนใกล้ชิดสุภาษิตกีกโบราณมีว่า ถ้ามีทาตอยู่คนเดียวและให้บุตรของท่านหมกมุ่นอยู่กับทาตตลอดเวลาแล้วในไม่ช้าท่านจะมีทาตสองคนแปลว่าในไม่ช้าบุตรของท่านจะมีกริยาวาจาอย่างทาตไปด้วยทํานองเดียวกับสุภาษิตสเปนที่ว่าถ้าท่านอยู่ในหมู่สุนัขป่าไปนานๆลงท้ายท่านก็จะหอนเป็นพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังเวเสวติตาทิโส คบคนเช่นใดมักเป็นคนเช่นนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นพยายามคบหาสมาคมกับคนดีเพื่อได้ถ่ายทอดลักษณะที่ดีของเขาการครบคนดีจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราไปตลอดชีวิตชาโตบรียังนักการเมืองคนสำคัญคนหนึ่งของฝรั่งเศสนับถือประธานาธิบดียอร์ชวอ์ชิงตันของสหรัฐอเมริกามากอุตส่าห์เดินทางด้วยความยากลาบาก ไปให้เห็นยอชวอชิงตันด้วยการเห็นเพียงครั้งเดียวชาโตบริยังถ่ายทอดเอาคุณลักษณะของยอชวอชิงตันได้มากท่านเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านว่าในตาของยอชวอ์ชิงตันที่ทอดมายัางข้าพเจ้านั้นทําให้ข้าพเจ้ามีความอบอุ่นไปตลอดชีวิตการทอดสายตาของคนดีและคนมีประโยชน์นั้นให้ความอบอุ่นและชื่นสุข แก่ผู้เข้าใกล้ได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ได้เห็นเซอร์วอลเตอร์สกอตเท่านั้นแอนเดรียนคัน hmm. น mm ิงแฮมก็ได้รับประโยชน์อย่างเหลือหลายทำให้ท่านเป็นนักประพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้คนดีเมื่อเราเข้าใกล้ทำให้เรารู้สึกอยากเป็นคนดีคนสงบเมื่อเราเข้าใก ล, ใใกล้ได้ยินเสียงเขาพูดทำให้เรารู้สึกอยากสงบนี่เป็นตัวอย่าง นอกจากอาศัยคนอื่นช่วยอบรมฝึกฝนแล้วการฝึกตนเองก็มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะการฝึกฝนตนเองให้เอาชนะอำนาจฝ่ายตำ่ำไม่ยอมทาสิ่งที่ฝืนมโนธรรมของตนคนที่ชนะตนเองได้เป็นคนประเสริฐแท้จริงฝึกฝนตนเองให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรถือหลักของพระพุทธเจ้าที่ว่า คนขยันที่มีชีวิตอยู่ปีเดียวประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะเวลาที่ล่วงไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเสียไปแล้วก็เป็นอันเสียไปเลยค่าของเวลาอยู่ที่เราใช้มันให้เป็นประโยชน์คนไม่ทำอะไรชีวิตสึกหรอไปเปล่าๆส่วนคนขยันเมื่อชีวิตล่วงไปก็นำเอาประโยชน์ติดไปด้วย คนทำงานมากอา จ, จไม่ได้เป็นคนสำคัญทุกคนแต่คนสำคัญทุกคนต้องทำงานมากและขยันเสมอค่าของคนวัดกันที่ผลของงานและที่ความดีประจำตนเวลลิงตันคนที่รบชนะนโปเลียนที่วอเตอร์ลูปรากฏว่าเป็นคนขยันมากอ่านและคัดลอกเรื่องราวจากหนังสือต่างๆไว้ตั้งแต่อายุ13ปี ทราบว่ายังเก็บกันไว้จนกระทั่งบัดนี้ยังมีเรื่องคนอื่นอีกมากพ่อเกรงลูกจะเบื่อจึงไม่นำมากล่าวมากนักแต่หวังว่าลูกคงไม่เบื่อจนถึงก็ไม่ยอมอ่านเชลเลยเนรูเขียนจดหมายถึงลูกสาวอินทิราเล่าถึงประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่อินเทราอายุสิบขวบพูดถึงเรื่องที่ยากกว่าที่พ่อกาลังพูดกับลูกอยู่เชอีกจดหมายนั้นมีอิทธิพล ให้อินทิราคานทีสนใจต่อการเมืองและประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติตั้งแต่ยาววัยและเป็นผลให้อินทิราเป็นผู้นำของอินเดียเป็นเวลาช้านานระหว่างบัณฑิตเนรุกับพ่อนั้นมีความแตกต่างกันมากในชาตินี้ถึงอย่างไรพ่อก็ไม่อาจทำประโยชน์ให้ถึงเศษหนึ่งส่วนพันของท่านเนรุได้แต่ลูกจันลอยของพ่อนั้นไม่แน่ อาจเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเมืองไทยก็ได้อีกยี่สิบปีข้างหน้าเหตุการณ์บ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปถ้าพ่ อ, อยังไม่ตายก็จะได้ชมบุญของลูก